<Workers. S 2> ตอนความพิา娜ของศักยะวงศ์เมื่อประมาณ 2,540 ปีล่วงมาแล้วราชวงศ์ศักยะแห่งกบิลพั์มีเกียรติคุณระบือลือเรื่องทั่วชมพูทวีปในฐานะที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติในราชวงศ์นี้เกือบไม่มีใครคาดคิดเลยว่า ตระกูลวงของพระพุทธเจ้าซึ่งมหาชนเคารพบูชาทั่วแผ่นดินจะพลันย่อยยับอับปางลงในเวลารวดเร็วแต่แล้วสากยาวงก็ได้ถึงแก่ความพินาศลงเฉพาะพระพักของพระพุทธองค์นั่นเองเพราะกิเลสร้ายตัวเดียวคืออติมานะมีเรื่องเล่า ว, ว่าเวลาเช้าวันหนึ่งพระราชาประสเสทิ ผู้ครองนครเสาวัถีประทับเยืนบนประศาสตร์ทอดพระเนตรลงยังท้องถนนภายในเมืองได้ทรงเห็นพระภิกษุสงฆ์พุทธสาวกเดินกันเป็นทิวแถวแยกย้ายบายหน้าไปตามถนนต่างๆเป็นพวกเป็นพวกจึงนึกสงสัยในพระไถยว่าพระเหล่านั้นจะไปไหนกันหรือได้รับความเดือดร้อนสิ่งใด จึงได้ออกเดินขบวนกันตั้งแต่เช้าตรู่เช่นนั้นกรันรับสั่งสอบถามอำมาตย์ผู้ใกล้ชิดก็ได้ความว่าพระเหล่านั้นไปรับบิณฑบาตในที่นิมนต์มีใครนิมนต์ท่านบ้างละ่ะท่านอมาตย์หลายรายพะยะค่ะแล้วก็แต่ละแห่งนิมนต์พระกี่องค์ไม่แน่พะยะค่ะ บางแห่งก็น้อยบางแห่งก็มากต้านแต่กําลังของใครคนที่นิมนต์พระมากๆอย่างเช่นใครบ้างขอเดชะเท่าที่ข้าพระพุทธเจ้าทราบก็มีท่านเศรษฐีอนนาถปิฎิกะคนหนึ่งนิมนต์พระไปรับบาตวันละสองพันองค์แล้วจุลอนาถาปิฎิกะวันละห้ารอองค์และนางวิสาขากับนาง สุปวาสาก็คนละห0 0องค์เหมือนกันพะยะค่ะถ้าเช่นนั้นเรานิมนต์พระมาฉันในวังบ้างก็เห็นจะดีดีทีเดียวแหละพะยะค่ะเย็นวันนั้นพระเจ้าประเส e ท t i เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้านพระวิหารเชตวันนอกเมืองสาวัตถีได้ทูลพระประสงค์ให้พระพุทธองค์ทรงทราบ กระภาบทูลรัตนาพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์อยากจะเลี้ยงพระเป็นประจำทุกวันเป็นการดีมหาบพิษถ้าเช่นนั้นขอพระองค์ได้โปรดจัดพระไปฉันที่ในวังเป็นประจำวันละพันองค์ได้ถวายพระพรแต่สำหรับพระองค์ขอนิมนเป็นประจำทุกวันส่วนพระรูปอื่น จะผลัดเปลี่ยนกันบ้างก็ได้มหาบพิตรตามธรรมดาพระพุทธเจ้ายอมไม่รับพิกษาในที่แห่งเดียวเป็นประจำเพราะว่าประชาชนพลเมืองต่างก็มุ่งหวังที่จะให้พระพุทธเจ้าไปยังเคหสถานของตนอัตมภาพจากต้องสงเคราะห์ศรัทธาให้ทั่วถึงกันถว า, ายพระพร แต่การที่จะให้พระจำนวนมากๆผัดเปลี่ยนกันไปทุกวันโดยต่างองค์ต่างไปอาจไม่สะดวกนักพะยาค่ะน่าจะได้มีพระสักรูปหนึ่งที่ไปเป็นประจำเพื่อความสะดวกเรียบร้อยถ้าเช่นนั้นไม่ขัดข้องมหาบาพิตรอาธมภาพจะมอบเรื่องนี้ให้พระอาน o ์เอาเป็นธุระ มหาบาพิตรไม่ต้องทรงเป็นห่วงในเรื่องนี้ขอได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระประสงค์เถิดรุ่งขึ้นจากวันนั้นมาพระสงฆ์พุทธสาวกจำนวนหนึ่งพันรูปก็ไปฉันในวังพระเจ้าประส enti เป็นประจำแต่พระเจ้าประเสนที่นั้นยังอยู่ในระยะเริ่มแรกนับถือพุทธศาสนาแม้จะทรงทำบุญสุนทานบ้าง ก็ทำด้วยปรารพโลกเป็นใหญ่คือทำเพื่อหาเสียงนิยมจากประชาชนพลเมืองส่วนพระองค์เองไม่ได้เข้าถึงธรรมะคนเราถ้าลงได้ทำความดีให้คนอื่นดูแบบนี้แล้วดีไปไม่ถึงไหนประเดี๋ยวก็หมดแรงที่จะทำดีราชาประสิทธิ์ทรงอำนวยการเลี้ยงพระด้วยพระองค์เองอยู่ 6-7 ถึงวันแล้วก็ทรงวางธุระ โดยทรงมอบการเลี้ยงพระนั้นให้เป็นธุ่าของพนักงานชาววังดำเนินการแทนส่วนพระองค์เองหันไปทรงเพลิดเพลินด้วยการอื่นเสียงานใดก็ตามถ้าผู้ใหญ่เข้าถึงเองอย่างใกล้ชิดก็เป็นงานสำคัญใครๆก็รุมไปสนใจไม่ว่าสมัยไหนก็เหมือนกันแม้ทุกวันนี้ก็ลองสังเกตดูเถอะถ้าท่านนายกเอาจริงเข้ากับงานใด บรรดาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกชั้นทุกตำแหน่งก็จะเฮโลเข้าใส่งานนั้นท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็อยู่อธิบดีก็มาหัวหน้ากองก็พร้อมหัวหน้าแผนกก็คุมงานแจจนแม้แต่คนงานพานโรงดูคลิ่งครัดไปทั้งนั้นเรียกว่าเสนาข้าราชการอยู่พร้อมหน้าแต่ถ้าท่านนายกมาไม่ได้ ท่านรัฐมนตรีก็ชักจะติดราชการอธิบปดีติดประชุมหัวหน้ากองจะต้องไปตรวจงานหัวหน้ า, าแผนกก็มีเรื่องด่วนหนักเข้าพันโรงก็เป็นผู้รักษาการแทนผลที่สุดงานก็เลอะเทอะไม่ว่างานไหนงานนั้นถ้าหัวหน้าไม่เข้าถึงงานด้วยตัวเองไม่ทำงานด้วยตนเองเป็นต้องเสียหายจนได้ ดูแต่งานเลี้ยงพระในวังของพระเจ้าประสิทธิ์ที่ก็แล้วกันคลึกคลื้นก็อยู่ชั่วหกถึงเจ็ดวันชั่วเวลาที่พระราชาทรงอำนวยการเท่านั้นนับตั้งแต่ทรงวางพระหัตถ์แล้วงานก็สุดลงสุดลงพระมานั่งคอยกันตั้งสายกว่าจะได้ฉันแล้วอาหารก็พอบ้างไม่พอบ้างบางครั้งพระมาถึงแล้วไม่มีใครเปิดประตูหอฉันให้ ต้องรอคอยกันตั้งนานๆเสร็จแล้วอาหารก็ไม่สู้จะเพียงพอจำนวนพระเสียอีกแม้ทางสังกรีของพระเจ้าประสิทธิจะคงเบิกเงินมาเท่าเดิมแต่ทยทานทั้งปวงกว่าจะถึงพระกลับเลวลงทุกทีรวมความว่าพระที่ไปฉันในวังพระเจ้าประสิทธิเป็นพระที่มีกรรมต้องถูกทรมาน ผลที่สุดก็ทนไม่ไหวค่อยๆหายไปทีละห้าองค์สิบองค์จนบางวันเหลือแต่พระอาณน์องค์เดียวที่สู้ทนเพื่อรักษาศรัทธาของเจ้าภาพครั้นการต่อมาพระเจ้าประสิทธิได้ทรงทราบว่าพระที่มาฉันในวังร่อยหรอลงมากก็ทรงแปลกพระไทยแต่แทนที่จะทรงตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลับทรงเห็นไปว่า ที่พระไม่อยากมาฉันในวังก็เพราะพระองค์ไม่ได้เป็นพระญาติพระวงค์กับพระพุทธเจ้าแน่ละสิใครเขาคุ้นเคยใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าพวกพระก็จะชอบไปที่บ้านคนนั้นคิดๆแล้วก็ส่งน้อยพระไทยอยากระนั้นเลยเราต้องพยายามฝากฝังตัวให้ได้เป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้าจนได้ทรงคิดหาทางออก เราจะขอเจ้าหญิงสักองค์หนึ่งจากศักยวงศ์เพื่อมาอภิเสกเป็นชายาต่อไปเรากับราชวงศ์สากยะก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันความเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าจะไปไหนเสียทรงดำริแล้วก็ทรงส่งทูตไปยังกรุงกบิลพัทเพื่อทูลขอพระราชธิดาแห่งศากยวงศ์ตามที่ทรงดำริข้างฝ่ายกบิลพัท เมื่อได้รับพระราชสารของพระเจ้าประสิทธิทีแล้วก็เปิดการประชุมขึ้นเป็นการภายในว่าจะสนองความต้องการของกษัตริย์สาวัตถีหรือไม่เพียงใดแล้วถ้าให้จะให้ใครแน่นอนราชวงศ์ชมพูตวีปสมัยนั้นตางก็ตกเป็นทาสของคติยมาณนะในพระทไทยเต็มไปด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่น แม้แต่ต่อกษัตริย์ต่างวงดังนั้นที่ประชุมชาวกษัตริย์สักยะจึงตกลงเล่นไม่ซื่อกับพระเจ้าประสิทธิทคือแทนที่จะให้เจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งแก่พระเจ้าประสิทธิหรือไม่ก็ตอบเบี่ยงบ่ายขัดข้องไปเสียก็ไม่ทากลับทำอัมพรางใช้เลขกลย้อมแมวขายคือตกลงยกลูกสาวนางทาสีคนหนึ่งชื่อวาสภักขติยา ให้ไปโดยทําทีกลบเกลื่อนตบตาพวกทูสาวสถีให้หลงเชื่อว่านางเป็นเจ้าหญิงเชื้อพระวงศ์ักยะนี่คือบาปกรรมของพวกศักยะวงศ์ที่จงใจทําการดูหมิ่นกษัตริย์สาวสถีอย่างร้ายแรงแต่เหตุการณ์ก็ผ่านไปโดยเรียบร้อยราชวงศว์สาวถีได้ทําการอภิเสกนางวาสภาคติยา เป็นอครมเหสีของพระราชาประเสิทธิอย่างสมพระเกียรติทุกประการข้างหนึ่งเป็นพระราชาอีกข้างเป็นนางทาสีถ้าโดยปกติธรรมดาแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยสําหรับชมพูตวีปดินแดนแห่งการเหยียดหยามคนชั้นต่ําแต่แล้ววาสพคติยาก็ได้คลอดพระโอรสผู้น่ารักหนึ่งองค์ ระบิดาได้ขนานนามว่าวิทูทภะเหตุการณ์ก็ยังเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้น16ปีให้หลังวิทูท พ, พะเจ้าชายหนุ่มได้ทรงทราบว่าพระมารดาของพระองค์เป็นเจ้าหญิงจากราชวงศ์ศากยะแห่งนงครกบิลพัทก็มีพระประสงค์อยากจะทรงรู้จักพระญาติพระวงค์ข้างพระมารดา จึงรบเร้าพระมารดาเป็นหลายครั้งที่จะให้นำเสด็จสูก่กบิลพั์พระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมใดเป็นบาปผู้ทำจะต้องร้อนใจในภายหลังและว่าที่รับสำหรับคนทำกรรมชั่วไม่มีเพราะแม้คนทั้งโลกจะไม่รู้ไม่เห็นตัวคนทำชั่วนั่นเองก็รู้ก็เห็น พระพุทธธรรรันี้เป็นความจริงทีเดียวว่าสภาคติยาได้ร่วมกับชาวสากยวงศ์ทกรรมชั่วเอาไว้เมื่อเกือบ20ปีก่อนโน้นบัดนี้ให้เร่าร้อนในหทัยเป็นกำลังวสภคติยาคิดคำหนึ่งไปว่านางเองเป็นเพียงลูกนางทาสีคนหนึ่งของเจ้าสากยะหากว่าพระโอรสวิทุถภะเสด็จไปกบิลพัท แล้วใครจะทำการต้อนรับให้สมพระเกียรติโอแน่ละ่ะประเพณีของชมพูทวีปถือกันว่ากษัตริย์ต้องแต่งงานกับกษัตรตย์พราม์ก็ต้องแต่งกับพรามแพทย์ก็ต้องแต่งกับแพทย์สูตรก็ต้องแต่งกับสูตรการแต่งงานกันผิดชั้นวันนะเป็นการอภยศอดสูและเด็กที่เกิดจากบิดามาันดาต่างชั้นวันนะกัน ก็จะกลายเป็นคนจันทานอยู่ฐานะต่ำช้าน่ารังเกียจกว่าพวกสูตรเสียด้วยซ้ำก็วิถุทพะนี้เกิดจากบิดาเป็นกษัตริย์มารดาเป็นสูตรฉะนั้นถ้าถือตามทิฏฐิของชาวชมพูถวีบแล้ววิถุทพะก็คือคนจันทานเราดีๆนี่เองเรื่องนี้ทางสาวัถีมีคนรู้อยู่คนเดียวคือนางเอง ใน ท, ทางกบิลพัทเขารู้กันทั่วเมืองแล้วจะเป็นไปได้หรือที่เจ้าสากยะซึ่งหญิงในตัวเองว่าเป็นวงกรรษัตัตย์สูงสักจะทำการต้อนรับวิทุถภะเด็กจันทานคนหนึ่งมันจะเป็นไปได้หรือจะเป็นไปได้อย่างไรวาสภาคัติยานึกถามตัวเองแล้วก็คิดคาดการข้างหน้าว่าแน่ล่ะพวกสากยะจะต้องรังเกียจวิทุถภะ ลูกเราแล้ววิฑูตพาก็เป็นคนช่างสังเกตเสียด้วยหากไปเห็นกิริยามารยาทอันเป็นเชิงดูหมิ่นของพวกสักยะเข้าจะโกรธกริว้วแล้วกรรเก่าของเราก็จะแดงขึ้นแดงแน่แนแล้วเมื่อถึงคราวนั้นก็ไม่แน่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอาจถูกเนรเทศอาจถูกขังหรืออาจถูกประหารชีวิตนี่ละนะ กำชั่ววาสภกติยารำพึงรำพันด้วยความกระวนกระวายใจแต่แล้วก็คิดเห็นทางออกอยู่ทางหนึ่งเราจะหาทางติดต่อไปทางสากยาวงศ์ให้คิดแก้ปัญหาดูเพราะกษัตริย์สากยาวงศ์นั่นเองเป็นตัวเก่อกามขึ้นอย่างไรเสียถ้าเขาไม่เห็นแก่วิทุตภะไม่เห็นแก่เราก็คงจะเห็นแก่สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศบ้าง วสภากติยาไม่ได้รังรอแต่ให้คนสนิทออกเดินทางไปยังกบิลพัทพร้อมด้วยสารลับแจ้งเรื่องราวพร้อมด้วยข้อหนักใจของตนไปให้ฝ่ายสากยะทราบสิ่งต่างๆได้เป็นไปตามแผนทุกประการเว้นอย่างเดียวคือเรื่องอุปกิเลสของพวกสากยะซึ่งมีเลือดอติมานะดูมิ่นคนอื่นอย่างเข้มข้น เมื่อได้รับสารจากนางวาสภักติยาแล้วราชวงศ์สากยะก็เปิดประชุมขึ้นเป็นการภายในเพื่อพิจารณาว่าจะให้การต้อนรับแก่วิทูทภะสถานใดในการพิจารณานั้นมีข้อที่พวกศากยะหนักใจอย่างที่สุดอยู่อย่างหนึ่งไม่ใช่ความสิ้นเปลืองไม่ใช่การเมืองและไม่ใช่ความยากลำบากใดๆแต่เป็นเรื่องที่ว่า ระมัดระวังที่จะไม่ให้วิทุถภะได้รับเกียรติจนเกินไปและหาทางแฝงกิริยาอันดูหมิ่นเหยียดหยามไว้ในการต้อนรับนั้นด้วยครั้นถึงกำหนดเจ้าชายวิทุถภะมังกรราชกุมารแห่งราชบัลลังก์สาวัตถีก็เสด็จถึงกบิลพัทพร้อมด้วยขบวนเสด็จอย่างสมพระเกียรติข้างฝ่ายสากยะนั้นเล่าได้เกณฑ์เอาพวกเด็กชาวบ้านนอก มาเข้าแถวเรียงรายคอยรับเสด็จส่วนอนอเนื้อเชื้อไขของวงสากยะจริงได้หลบหน้าไปเสียที่อื่นถือเสียว่าวิทูพะนั้นเป็นคนจันทานเกิดผิดวันนะอย่าว่าแต่จะให้เกียรติเลยแม้แต่จะดูด้วยตาก็ถือว่าเป็นมนทินเฉพาะเจ้าสากยะรุ่นผู้ใหญ่ก็มีอยู่จานวนหนึ่งที่ถูกจัดให้อยู่ต้อนรับวิทูถะ เพียงจำนวนไม่กี่คนณท้องพระโรงหลวงซึ่งกำหนดการต้อนรับเป็นพิธีการนั้นเจ้าชายวิทุถภาได้รับการถวายแนะนำให้ทรงรู้จักเจ้าสากยะผู้ใหญ่เป็นรายบุคคลผู้ถวายการแนะนำได้ทูลว่าผู้นี้เป็นพระเจ้าตาผู้นี้เป็นพระเจ้าลุงผู้นี้เป็นพระเจ้าน้า วิทุธภะก็ทรงทําความเคารพไปทุกคนแต่ไม่มีเจ้าสักยะผู้ใดที่แสดงอาการรับการเคารพหรือไหว้ตอบวิทุธภะทรงแปลกพระไทยในเหตุการณ์นั้นเมื่อเสร็จพิธีการกลับมายัางตาหนักที่ประทับแล้วก็ทรงรับสั่งถามอำมาตย์สนิทแต่ก็ได้รับการทูลชี้แจงกลบเกลื่อนไม่เป็นสาระสามวันผ่านไปอย่างเงียบเหงา สำหรับแขกเมืองผู้สูงศักดิ์ครั้นวันที่4ขบวนมาเยี่ยมประญาติของเจ้าชายวิทุทภะก็ยกออกจากกบิลพัทเพื่อนิวัตสู่สาวัตถีพอท้ายขบวนผ่านประตูวังฝ่ายเจ้าสากยะซึ่งคอยการกลับของวิทุทภะอยู่แล้วก็สั่งระดมพวกทานให้ชำระล้างตำหนักที่ประทับของวิทุถภะเป็นการใหญ่บ้างขัด บ้างขุดบ้างล้างบ้างเช็ดที่ไหนมั่นใจว่าสะอาดปราศจากกลิ่นไอของคนจันทาแล้วก็ลาดซ้าด้วยน้ำนมสดซึ่งถือว่าเป็นของล้างซวยในสมัยนั้นขณะที่พวกท่านกาลังถูกกระดมทำความสะอาดกันอยู่อย่างชุลมุนนั้นเสนาคนหนึ่งในขบวนเสด็จของเจ้า ว, วิทุนทพะก็วิ่งกระหึดกระหอบ กลับมายังตํนักเพื่อหาสิ่งของบางอย่างที่ตนลืมไว้ครั้นมาเห็นพวกทาสทํางานกันอย่างรีบเร่งเช่นนั้นก็แปลกใจจึงเอ่ยถามแม่นางทาสีคนหนึ่งทําอะไรจ๊ะอ๋อล้างจ้ะนางทาสปากจัดตอบทันควันล้างอะไรกันรวดเร็วออกอย่างนี้แขกพิ่งพ้นหัวกระใด เสนาเปลยขึ้นอย่างไม่สู้สนใจนักทิ้งไว้ได้หรือจ๊ะมันเสนียดเจ้านายนี่น้อยทําปากดีพวกแกมันวงนอกพวกแกมันไม่รู้ดอกหรือว่าเจ้านายของเราเป็นอะไรกับสากยวงน้อยทําปากดีปรเดี๋ยวคอได้ขาดจากบ่าเนอะอ๋อท่านปุโรหิตติดขบวน แม่ชาวก บ, บิลพัตทเขารู้กันทั่วเมืองแล้วนั่นจ้ะว่าตาวิทูลทัพพะนายแกชั้นไหนก็แน่และสิในเราเป็นชั้นกษัตริย์ใครๆก็ย่อมรู้อะไรการพอเอ้ยกษัตริย์ได้กันกับสูตรออกลูกมาจะนับเป็นชั้นไหนกันยะนี่แม่ตัวดีฉันไม่เข้าใจกษัตริย์อะไรแต่งงานกับสูตร แล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายาข้าโถยข้าเพิ่งรู้ว่ากำลังคุยกับคนบ้าพอทีฉันลาละเสนาขยับจะออกเดินเพื่อจะตามขาบวนเสด็จให้ทันเดี๋ยวก่อนสิท่านเสนาพอทีคุยกับคนบ้าเสียเวลาเอาหน้าถึงคนบ้าแต่ก็รู้เรื่องของนายแกไหนลองว่าดูสิ ปวดรู้แก่แกอย่าไปบอกใครนะฉันละเกลียดนักไอคนปากบอลหนอนเจาะเออหน้ารับรองแก๋จำได้ไหมเมื่อเกือบ20ปีล่วงแล้วพวกทูตของพระเจ้าประเสิทธิเมืองสาวัตถีมาสู่ขอเจ้าหญิงสากยะวงอง์หนึ่งแล้วทางสากยะวงก็ได้จัดไปให้ตามประสงค์คือแม่วาสภาคติยาอย่างไงล่ะ เคยได้ยินชื่อนี้ไหมอ๋อแน่และสิก็พระบรมราชินีนาถของเรายังไงก็นี่แหละเจ้าชายวิทุตภะนี่แหละเป็นพระโอรสของพระนางเจ้าเกายังไม่รู้อีกหรือเดี๋ยวก่อนสิฟังฉันก่อนวาสภากัตติยานั้นที่แท้ไม่ใช่เชื้อสายสากยะสักนิดไม่ใช่เจ้าเจิ่ออะไรเลยหืม พูดเป็นบ้าไปได้แล้วพระนางเป็นใครก็จะใครเสียอีกเล่าแม้ว่าสภัติยานั่นก็ลูกสาวนางทาตที่วังเจ้าชายมหานามะนั่นแน่วังท่านอยู่นั่นนางทาตว่าพลางชี้มือบอกให้เสนาดูยอดโคมที่มองเห็นลิบๆนี่แกพูดจริงๆหรือก็ข้าจะโปวดแกเอาวิมาอะไรเล่า สาบานให้ก็ได้เอา้าแต่ข้าก็ไม่เชื่ อ, อแล้วแต่แกพวกสาวถีแล้วอย่างนี้ทั้งนั้นมีตาสิเปล่าถึงได้อภิเสกลูกนางธาเป็นราชนีเออเอาอย่างนี้ดีกว่าแกไม่เชื่อก็ตั้งแต่เจ้าวิทุตภะนายแกมาเมืองกบิลพัทจนกระทั่งกลับเคยเห็นใครไหว้นายแกไหม แม้แต่พวกเด็กบ้า น, นอกที่เขาเกณฑ์เข้าแถวมาเป็นเกียรติก็ไม่มีใครไหวใช่ไหมล่ะขอบใจนะจ๊ะสายแล้วข้าล้าก่อนละเมื่อเสนาตามมาทันเคเบนเสด็จก็เล่าความที่ตนได้ยินจากนางทาตให้เพื่อนสนิทฟังพร้อมกับสั่งคาดคั้นให้ถือเป็นความลับแต่แล้วเรื่องของคนสมัยโน้นก็เหมือนกับคนสมัยนี้ แล้วคนสมัยนี้ก็คงเหมือนกับคนสมัยหน้าคือชอบกระพือข่าวความเสียหายของคนอื่นถ้าเป็นเรื่องความดีตายแล้วสิบปีจึงจะลือไปทั่วแต่ถ้าเป็นเรื่องความชั่วรู้กันไม่พ้นสิบวันและกระบวนนินทาแล้วนินทาใครมันจะอร็จอร่อยเกินกว่านินทานายเป็นไม่มีแล้วนายเลี้ยงดีก็นินทาว่านายขี้เห่อ ถนายเลี้ยงอดอดอยากๆยากก็ว่านายขี้เหนียวพอกระบวนเยี่ยมพระญาติข้างมารดาของเจ้าชายวิทุตภะกลับถึงสาวัตถีข่าวที่ว่าพระราชนีวัสภคติยาเป็นคนชั้นสูตรก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วเมื่อความรู้นี้ถึงเจ้าชายวิทุตภะก็ทรงเครียดแค้นสากยะวงอย่างแสนสาหัส ถึงกับเปล่งอาคาดไว้ว่าเธอข้าครองราชเมื่อไหร่จะเอาเลือดในลำคอของพวกศักยยะล้างตำหนักที่เราพักนั้นให้ได้เหตุการณ์ต่อมาขณะที่ข่าวร้ายแพร่สะพัดอยู่ทั่วสาวัถีนั้นพระบรมศาสดาชลรอยจะส่งทราบความแขนเคืองพระาราชหฤทัยของกษัตริย์ประสิทธิ และทรงปริวิตกว่าการสงครามระหว่างกษัตริย์สาวถีกับสากยะวงศ์พระญาติของพระองค์จะระเบิดแน่เพื่อยับยั้งเหตุร้ายให้คืนเข้าสู่ความสงบวันหนึ่งพระพุทธองค์ได้เสด็จไปสู่ราชสถานแห่งสาวถีพระเจ้าประสิทธิซึ่งกำลังอยู่ในอารมณ์ขุนเคืองอย่างร้ายแรงกรันได้ทราบว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาในวงัง ก็รีบเสด็จเข้าไปเฝ้าแล้วก็เริ่มระบายความขุ่นค้องพระไทยโดยไม่รีรอพระองค์ผู้เจริญพระญาติของพระองค์ไม่น่าจะทำแก่ข้าพระองค์ถึงเพียงนี้พระเจ้าประสิทธิตรัสปรารบขึ้นด้วยความน้อยพระไทยและคนกับความแค้นเรื่องมันเป็นอย่างไรมหาบพิตรก็ไม่มีอะไรไปยะยค่ะ เรื่องมันสืบเนื่องมาตั้งแต่คราวทำบุญเลี้ยงพระในวังแล้วข้าพระพุทธเจ้าคิดอยากจะใกล้ชิดเกี่ยวดองเป็นญาติกับพระองค์บ้างจึงส่งทูตไปขอเจ้าหญิงสักองค์หนึ่งจากสักยวงว์เพื่อมาอภิเสกไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีพระราชาทรงสกัดพระไทยกลื่นความแค้นเสียครู่หนึ่งแล้วตรัสเล่าต่อไป แต่แล้วสากย้าวงเล่นไม่ซื่อกับข้าพระองค์แต่ให้หนางทาสมาคนหนึ่งแซงทําเล่เพทุบายให้พวกทูตหลงเชื่อว่าเธอเป็นเจ้าหญิงข้าพระองค์ก็ไม่ได้นึกเฉลียวใจเพราะเชื่อในเกียรติของสากยะาวงว่าจะตั้งในศีลสัตว์แต่แล้วเรื่องมันมาแดงขึ้นภายหลังชาวเมืองเขานินทากันทุกหัวระแหง แล้วข้าพระองค์จะเอาหน้าไปไว้ไหนสากยะนะสากยะราชาประสิทธิ์ทีทรงย้ำอย่างหนักบอบพิษพระราชสมภารชาวสากยะทำกับพระองค์ดังนี้เป็นความผิดหาน้อยไม่สมควรได้รับโทษอย่างมหันทีเดียวมหาบอบพิษพระพุทธองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงสงบเย็นนั่นนสิพระยะค่ะ เห็นจะไว้ไม่ได้หลูเ ก, กินมากเหลือเกินแต่ว่าเขาได้ทรงสดับก่อนมหาบพิตรเวลานี้ว่าสภกคติยาเธอได้ให้กำเนิดแก่พระโอรสแล้วข้าพระองค์ไม่ลงโทษว่าสภกคติยาพระยาค่ะเวลานี้คงปฏิบัติต่อเธอดังเดิมทุกอย่างแต่สากยะสิข้าพระองค์จะต้องช้าก่อนมหาบพิตร สากยะวงนั้นเหมือนลูกไก่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์จะทรงบีบให้ตายเสียเมื่อไหร่ก็ได้แต่มหาบาพิษโดยปกติแล้วตระกูลข้างฝ่ายหญิงหามีความสำคัญไม่ผู้ชายเท่านั้นที่เป็นธงใช้ของตระกูลพระองค์ทรงรำลึกถึงเรื่องเก่าได้ไหมพระเจ้ากัตถาวาหนะแห่งมหานครพารณาณสีนั้น ที่แท้ก็เป็นโอรสของหญิงเก็บฟืนซึ่งเป็นคนยากจนคนอื่นอีกก็มีมากมหาบาพิษอย่าได้ทรงเสียพระไทยไปนักเลยตระกูลของมันดาหาสำคัญไม่ส่วนสักยะผู้ละเมิดศีลสัตว์ก็ยอมจะต้องรับผลกรรมของตนเองพระพุทธธรรรัตเปรียบเสมือนน้ำเย็นที่ลาดลงบนกองไฟ พระไทยของพระเจ้าประสินธิที่มีความสงบเย็นพอสมควรไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นตลอดรัชสมัยของพระองค์แต่วิทาพถะเจ้าชายหนุ่มผู้ถูกศพประมาทยากที่จะสลัดอารมณ์ล่วงเกินของพวกสากยะจากพระไทยเสียได้ซึ่งก็เป็นความจริงคนเหล่านี้แม้ล่วงเกินกันโดยสถานอื่นถ้าผู้ล่วงเกินนั้น กลับรับผิดขอโทษเสียฝ่ายถูกล่วงเกินก็อาจอภัยให้ได้แต่การล่วงเกินด้วยการดูหมิ่นเหยียดยามกันนั้นมันเป็นหนามแทงใจยากที่จะลูกกะโทษให้กันได้ยิ่งกรณีที่เจ้าชายวิทุตภะถูกศพประมาทดูหมิ่นนี้ยิ่งหนักหนามากเป็นการเยยดยามถึงสองครั้งสองหนเมื่อคราวสากยะหลูพระเกียรติพระบิดาของพระองค์ ให้นางธาตุมาแทนเจ้าหญิงสากยะนั่นครั้งหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งสากยะให้พวกธาตุเอาน้ำนมล้างตาหนักที่พระองค์ประทับเมื่อคราวสเสด็จกบิลพัทนี่เองทั้งสองครั้งนี้ทางสักยะวงจะได้ขอลุกโทษสักนิดก็าหาไม่วิทูทพะระลึกถึงวาระอันแสนจะเจ็บช้านี้อยู่เสมอแล้วก็ทรงปักพระทัยแน่วแน่ว่า เมื่อมีอำนาจวาสนาขึ้นเมื่อไหร่จะล้างอติมานะของพวกสากยะวงให้สาสมทีเดียวอยู่มาพระเจ้าประสิทธิก็เสด็จสวรรคตไปตามกาลวิทุถภระราชกุมารเถลิงราชสมบัติต่อมาเมื่อได้ทรงครองราชกำลังแสนยานุภาพอยู่ในพระหัตเพียบพร้อมทุกประการแล้ว สิ่งแรกที่ทรงรำลึกถึงก็คือการดูหมิ่นของพวกศักยะวงศ์ยิ่งเสนามาตลอดจนทวยราษแห่งสวัสถีก็ชิงชังการกระทำของพวกศักยะอยู่แล้วเมื่อราชาวิทุถภะทรงคุยเขี่ยเรื่องนี้ขึ้นมาแทบทุกดวงใจก็ลุกฮือขึ้นพร้อมที่ถวายความร่วมมือในการญาติตราทัพเข้าเหยียบกบิลพั์ให้แหลกราน พระราชาเป็นมิ่งขวัญของแว่นแคว้นเมื่อพระราชาถูกดูหมิ่นเมื่อพระราชาถูกดูหมิ่นก็เหมือนผู้ดูหมิ่นได้เหยียบย่ำหัวใจของทวยราษฎรผู้พักดีด้วยเป็นนั้นตกลงว่ากองทัพวิทุทภาจะญาตราสู่กบิลพัทเพื่อล้างแขนพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถาแห่งโลกได้ทรงทราบด้วยพระญาตว่า ความพินาศใหญ่หลวงกำลังจะบังเกิดขึ้นจึงเสด็จล่วงหน้าไปประทับที่ร่มไม้แห่งหนึ่งระหว่างแดนสาวัถีกับกบิลพัทเมื่อวิทุตภะนำทัพไปถึงตำบล น, นั้นได้ทอบพระเนตรเห็นพระพุทธองค์เข้าจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าข้าเหตุใดพระองค์จึงมาประทับอยู่ที่นี่ในเวลาเช่นนี้ต้นไม้นี้ก็โกรเต็มที่ แดดก็กำลังร้อนเชิญเสด็จไปประทับเสียที่ร่มนิคโครธโน่นจะไม่ดีกว่าหรือพะยะค่ะวิทูทธภะกราบทูลเพื่อเชิญเสด็จพระพุทธองค์ให้เลี่ยงไปเสียให้ผลทางที่กองทัพจะผ่านชรอยจะทรงดำริว่าหากพระพุทธองค์ยังคงประทับอยู่ที่นั้นแล้วเสนาทั้งปวงมาเห็นเข้า ก็เกิดความท้อใจในการศึกด้วยทุกคนก็เลื่อมใสในพระพุทธองค์อยู่แล้วก็รู้กันอยู่ทั่วไปว่าสงครามครั้งนี้จะเป็นการทําความย่อยยับให้แก่พระญาติพระวงศ์ของพระพุทธองค์นั่นเองถูกแล้วมหาบพิษร่มไซโนนคงจะเย็นดีกว่าร่มไม้ต้นนี้ทรงเอื้อนพระสุรเสียงเล็กน้อยแล้วตรัสต่อไปว่า แต่ว่าร่มเงาของญาติพี่น้องเย็นดีกว่าร่มใสมหาบอพิษวิทุทภะได้สดับพระดำรัสแล้วทรงทราบในทันทีว่าพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาเพื่อยับยั้งพระองค์มิให้ก่อความพินาศแก่สากยาวงศ์และด้วยพระไัยเคารพรักพักดีในพระบรมศาสดาพระเจ้าวิทุทภะทรงถวายนมัส ก, การพระพุทธองค์แล้วก็านาเอากองทัพ กลับสู่สาวัตถีพระบรมศาสดาก็เสด็จสู่พระวิหารเชตวันพระไทยของวิทูทตภานั้นเหมือนมีหนามหักคาอยู่ข้างในสงบลงชั่วระยะหนึ่งครั้นส่งรำลึกถึงความหลังเข้าก็ทรงเดือดดานขึ้นมาอีกและโดยเหตุนี้พระองค์ได้ทรงกรีทาทัพสู่กบิลพัทถึงสามครั้งก็ เสด็จกลับเสียแค่พร้มแดนถึงสามครั้งสามหนแต่นั่นแหละอย่าพิษที่อับซอนนานวันเข้าก็เสื่อมสิ้นพิษร้ายพิษแมลงป่องตะขาบเมื่อแรกถูกก็พิษแรงแต่เมื่อการเวลาผ่านไปพิษร้ายก็ค่อยทุเลาเบาบางลงแต่พิษของอติมานะการดูหมิ่นเหยียดหยามกันนั้นยิ่งนานวันยิ่งเข้มข้น ยิ่งนานวันก็ยิ่งระบมหนักวิทุถภะเจ้าชายผู้น่าสงสารก็เหมือนกันการดูหมิ่นของศักรยวงที่ทิ่มแทงพระไทยของพระองค์อยู่นั้นยิ่งนานวันก็ยิ่งกำเริบหนักผลที่สุดก็ประกาศสงครามกับศักยวงโดยเด็ดขาดมีใหญ่ว่าประมารดาและพระพุทธองค์ก็กาลังประทับอยู่ที่สาวัตินั่นเอง กองทัพอันเกรียงไกรของวิทุถพะแต่ยาตราเข้าย่ำกระบิลพั์อย่างง่ายดายทหารได้ถูกสั่งให้สังหารคนทุกคนที่เป็นเชื้อสายของศักยวงศ์แม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงที่ยังดื่มนมก็มีให้ไว้ชีวิตผลที่สุดวิทุถภะผู้ถูกยามก็เอาเลือดในคอของศากยาวงศ์ล้างกระดานแผ่นเดิมที่ครั้งหนึ่งศากยะล้างมันด้วยน้ำนมสด พื่อยามหน้าของพระองค์นี่แหละหนอกงกรรมกงเกวียนท่านนักธรรมเห็นแล้วไม่ใช่หรือเจ้าสกากยะเป็นคนมีศรรีลอยู่ทั่วกันแต่ยังเป็นทาสของอติมานะฝ่ายวิทุทภาก็คารพนับถือพระพุทธเจ้าผู้เป็นเชื้อพระวงศ์สักยะแต่เมื่อทรงถูกเจ้าสกากยะกระทําการดูหมิ่นซ้ําแล้วซ้ําอีก ก็ทรงข่มพระไยไว้ทรงนำกองทัพกลับคืนกรุงถึงสองครั้งสามครั้งแต่ผลที่สุดก็ไม่อาจเลิกล้มความคิดแค้นลงได้การดูหมินเหยียดหยามกันนั้นมีผลร้ายอย่างนี้เองสากยาวงศ์อันรุ่งโรดดับพูบและสูญสิ้นลงเพราะอติมานะแน่แท้คนเราทุกวันนี้ล้มตายเพราะดูหมินคนอื่น หรือเจ็บช้ำเพราะเหยียดหยามคนก็มีอยู่ไม่น้อยสมควรแล้วที่ตรัสว่าอติมาณนะเป็นตัวอุปกิเลสสนิมชีวิตอย่างแท้จริงตอนล้างสมองดูหมินตกลงว่าการดูหมินคนอื่นเป็นทั้งสิ่งมัวหมองเป็นทั้งภัยอันตรายแก่อนาคตแล้วจะแก้ไขประการใด การดูหมิ่นคนนั้นมีอยู่สองประเภทคือพวกหนึ่งแสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นคนอื่นด้วยความประมาทพลาดพลัง้งเพราะความน้อยเนื้อเสียใจหรือเพราะความเดือดดานชั่วคราวการดูหมิ่นด้วยความประมาทเช่นนี้เราเรียกว่าการสบประมาทหรือหมิ่นประมาทบางทีพูดกันเพียงย่อๆว่าประมาทเฉยๆก็มีซึ่งความจริงแล้ว การดูหมิ่นกับความประมาทเป็นคนละอย่างความประมาทเป็นเรื่องของการเผลอตัวยั้งตัวไม่อยู่ซึ่งจะบรรยายในลำดับหน้ากริยาที่เหยียดหยามคนอื่นด้วยความประมาทต่างหากที่เราเรียกว่าศพประมาทและการดูหมิ่นคนอื่นด้วยความพลาดพลัง้งด้วยการยั้งตัวไม่อยู่เราเรียกว่าหมิ่นประมาทคือดูหมิ่นเขาด้วยความประมาท จำพวกที่ดูหมิ่นด้วยประมาทนี้ต้องแก้ที่ความประมาทคือหัดทำอะไรพูดอะไรด้วยความยั้งคิดไม่ช้าก็จะหายแต่อีกพวกหนึ่งมีอติมาณนะฝังอยู่ในสมองจริงๆขอโทษที่ข้าพเจ้าอยากใช้คำว่ามีสันดานดูหมิ่นคนจริงๆไม่ใช่ดูหมิ่นเฉพาะเรื่องเฉพาะราย แต่มีนิสัยดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นเอาเลยทีเดียวพวกนี้แก้ยากบางคนตายคากันเลยการแก้ต้องทำถึงขนาดล้างสมองจึงจะได้แต่ถึงจะแก้ยากก็ต้องพยายามแก้เพราะกิเลส ต, ตัวนี้เป็นสนิมชีวิตอย่างร้ายกาดนักการแก้ก็ต้องแก้ที่ใจต้องพยายามลดความหยิ่งในตัวลงและให้ความนับถือแก่คนอื่น อย่าลืมว่าเขากับเราต่างก็เป็นคนด้วยกันเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวกันตายแล้วก็เน่าเหม็นเหมือนกันจะดูหมิ่นเหยียดหยามกันไปถึงไหนถ้าท่านบ้วนน้ำลายลงใส่แก้วน้ำแล้วท่านรังเกียจที่จะยกมันดื่มเข้าไปอีกก็แสดงว่าตัวท่านเองมีสิ่งที่น่าเกลียดเหมือนกับคนอื่นอยู่หาควรที่จะตั้งหน้าตั้งตาดูหมิ่นคนอื่นไม่